วันนะลิงมันอยู่ทางหน้าศาลาเราเลิงมากนะเดี๋ยวนี้นะมันก็นทะเลาะกันเหมือนกับคนเหมือนกัน น, น, ก น, นะถ้าทะเลาะในกลุ่มก็ไม่เป็นไรในฝูงกันก็ไม่ดุร้ายเท่าไหร่เพียงแต่ตัวนี้ไปทะเลาะตัวนั้นตัวใหญ่ไปรังแก่ตัวเล็กแลก้วกลุ่มหัวหน้าฝูงกัตะโกนใส่ปรามเหมือนกันแต่ต่างคนก็ต่างเงียบก็ไม่หนักหนา แต่ถ้าว่าฝูงต่อฝูงมาเจอกันเน่ะนั่นเรื่องใหญ่เลยท่านเลยไม่ยอมกันว่ากันแต่ฝูงต่อฝูงในวัดของเราไม่ดูๆแล้วมันมีจะสามฝูงพูนะลิงสามฝูงสามหัวหน้าว่ากันแพรพอมาเจอกันเข้าเมื่อไรกับเมื่อนั้นแล้วงันแตหญิงเกี่ยวเสิกันขย่มต้นไม้เสิกันแต่ไม่กล้ากัดกันมันก็กลัวเจ็บเหมือนกันไะ ปี่ยแต่กระจับกิ่งไม้เขย่าสิกันเท่านั้นะขู่งั้ือนกันเลจะใช้เสียงหน่อยแต่หลวงพ่อผู้นั่งฟังเนี่ยลำคาญกับมันมันเหมือนกันเลยมันเขย่ามันขู่กันเหมือนกัลิงขู่กันต่างตัวก็ต่างร้องแต่ตัวเสียนาอยู่ข้างหลังเลูกเล็กเด็กแดงทั้งตัวเมียตัวน้อยะอยู่ทางหลังเหมือนกันไม่กล้าเหมือนก่น พอฝูงนั่นกระโดดเข้ามาไอตัวหลังเน่นเพนก่อนแต่ตัวหัวหน้าเนี่ยไม่ยอมถอยง่ายๆพวกเสียหน้าใหญ่พวกอ ม, มัดเหมือนงั้นหะหัวหน้าใหญ่เนี่ยแปลว่าสู้แล้วงั้นแะกลัวเสียฝูงวัวกั้นแหะเห็นแล้วก็น่าขำเหมือนกันนะกิเลสนะกิเลสของสัตว์กิเลสของมนุษย์เป็นอย่างงั้นแหละการอยู่ในโลกนะแต่ผลที่สุด มันก็ไม่ได้อะไรอีกเหมือนกันนะนมันคืว่ามันเป็นหัวหน้าฝูงอีกสักหนึ่งข้างหน้าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็เท่าแก่ชะลามันก็เป็นลูกน้องเขาอีกหัวหน้าฝูงคือขึ้นมาอีกผัดเปลี่ยนกันอย่างงั้นแ่ะไม่ใครไม่มีใครที่จะเป็นหัวหน้าที่ถาวรเป็นอนันตการไม่มีหรอกแต่ขณะที่เป็นนะมันมันลืมตัวเหมือนกันนะลิงที่มมันเป็นหัวหน้ามันก็ลืมตัวเหมือนกัน ว่ามันเป็นจ่าฝูงว่าไ้นต่เวลามันเดินไปที่ไหนนี่มันยกหางชี้ขึ้นไปกระดกหางขึ้นมาเลยกัหัวโชว์แสดงว่าเราเห็นก็รู้ละอันนี้เป็นเป็นลิงจ่าฝูงว่าไงแต่พวกคนพวกเราดูนี่รู้ละโอ้อันนี้เป็นหัวหน้าหมูตัวนี้ไอตัวนี้ว่าไงเวลามันเดินไปกันเนี่ยหางโชว์ขึ้นมาเลยเดินมีท่าทางอีกต่างหากเหมือนกับหัวหน้างานอย่างนั้นะ หัวหน้างานกับคนงานเนี่ยพอไปเราเขาไปเราก็รู้แล้วหัวหน้างานเป็นงไง ว, ไงวางหมัดยังไงอย่างน้อยก็มีมีสมุดมีดินสออุ้มหนีบไว้แบบนั้นนะอันนั้นคือหัวหน้างานหัวหน้าลิงก็ลักษณะอย่างงั้นนะมันไม่มอีอันไหนจะหนีบมันก็ชูหางของมันวนะ้แบั้นเวลามันไปที่ไหนมันขึ้นไปต้นไม้ไอ้กิ่งไหนที่มัน มันกระทบมันจังดังกิ่งไม้กระทบมันดังกอกกอกกอกมันจะเขย่าไปตัวนั้นละ่ะหัวหน้าฝูงจะกระโดดไปจุดนั้นละก่อนไปไปถึงนั่นกันเขย่าตรงนั้นละ่ะให้มันดังเหมือนนแต่ของเรามันเสียเปรียกจะกระเบื้องหลังคาในซิทนอรกระเบื้องตาช้างร่อนคู่บางแหงมกับทําไม่แน่นไนะพอมันไปถึงต้นนั้นเขย่าที่ไรโอ้โหหลวงพ่อต้องเสียเงินทุกครั้งเหมือนน กระเบื้องแตกแต่มันขยา่ามันเสียงดังไงที่นะปังปังปังแต่กระเบื้องหลวงพ่อมันหลุดออกไปเลยทีนะี้ลิงขย่าวความอวดตักสักใหญ่อวดเบ่งบา ร, รมีของมันที่มันเป็นหัวหน้าเหมือนนได้โดยมากลิงหัวหน้าะจะไปทําดูๆแล้วตัวใหญ่ๆ ห, หางหางตั้งๆที่เป็นหัวหน้าหมู นี่เหมือนกันการการอุตรุษน่ะแต่ดูดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่ไม่ใช่ฝูงตัวฝูงมาเจอกันออกมอกีนี่ดูดูแล้วเหมือนกับทะเลาะในกลุ่มเหมือนกันนะเนี่หายเงียบไปแล้วเนี่ยมันคงคงจะคิดว่าเหมือนกันถ้าเป็นถ้ามันเป็นมนุษย์โอ้ยหลวงพ่อจะมาหายุ่งอะไรกับเรามันจะว่าอีกอย่างกันนะหลวงพ่อก็อยู่พวกเป็นพวกหลวงพ่อเนมาหายุ่งอะไรกับพวกเรามันจะว่าอย่างนั้นีิฮู้หลวงพ่อได้ยิน ก็เลยวาดวาดมโนภาพพอได้ยินเออเสียงลิงทะเลาะกันอย่าว่านะก็เลยวาดมโนภาพไปตามไม่จริงเรื่องหูนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะวันก่อนพูดเรื่องเรื่องปากนะีเมื่อวานะพูดเรื่องใจให้ชํารวมใจแต่ว่าใจอย่างเดียวใจนั่นแหละเป็นใหญ่แต่ก็ควรระวัง อีกอย่างหนึ่งก็คือหูเหมันกันนะหูน่าจะสำคัญอีกเหมือนกันมันส่งกระแสเข้าไปหาใจถ้าเป็นคนหูเบาได้ยินอะไรก็พูดไปเรื่อยได้ยินใครมาพูดจริงไม่จริงก็ต่อไปเรื่อยเอาไปมาก็เลยทะเลาะกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งครอบทั้งครัวทั้งวงสาคนาญาติก็มีอีกเหมือนกันเพราะ ห, หลนอเพราะคนหูเบาเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาอยากจะให้ คนหูหนักเขาจึงเอามาอะไรมาแขวนหูไว้ให้มันหูหนักเหมือนกันแต่ตามที่จริงหูตึงแท้ๆก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะไม่ยอมฟังใครอีกไม่มีเหตุไม่มีผลใครแนะนําก็ไม่เอาอันนั้นแปลว่าคนลักษณะหูหนักหูตึงก็ใช่ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าหูเบาเกินไปมีใครมาพูดอะไรให้ฟังพอที่ยินทางนี้ก็ไปนําไปพูดทางนูน้นผลที่สุดก็วุ่นวายไปหมดอีกเหมือนกัน อเลรก็คนหูเบาเนี่ยวันนั้น่ะพราหมพราหมที่นางวิสาขาจะไปสู่สกุลสามีคือแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสั่งตระกูลของนางวิสาขาเนี่ยเขามีพราหม์ลยพราหมประจำตระกูลเกว่าลักษณะทนายความลักษณะอย่างนั้นหละใอ้ข้วาวมันเหนือกว่าทนายความเหมือนกันคล้ายๆก็ว่า เป็นพราหมณ์เป็นผู้ใหญ่ในสกุลที่บอกรอบรู้ทางกฎหมายรอบรู้ทางวัฒนธรรมอรอบรู้ในเรื่องจริยธรรมต่างๆน่ะพอจะส่งลูกสาวไปสู่สกุลอื่นก็กลัวขายหน้ากฎระเบียบว่าเป็นยังไงทางฝ่ายโน้นพวกเราเมื่อเข้าไปแล้วควรทำยังไงแต่นี้ก็ตระกูลพ่อของนางวิสาขานะี่ก็เอานพาพราหมณ์ หรือว่าผู้ที่ทรงคนวุฒิมาแนะนําลูกสาวก่อนก่อนที่จะส่งไปสู่สกุลสามีมาแนะนําสั่งสอนเออเมื่อเข้าไปแล้วต้องให้ระวียงระวังนะอย่านําไฟทางนอกเข้ามาข้างในอย่านําไฟข้างในออกไปสู่ข้างนอกอาจารย์สอนลักษณะอย่างนี้ละ่ะ แต่ใ้คนผู้ไม่ได้พวกที่ไม่ได้ยินไม่ได้เข้าใจเขาเอ๊ะทําไมเขาจะไม่ให้นําไฟแสดงว่าขนาดไฟก็ยังขี้เหนียวขนาดนี้แล้วจะเอาอยัางไงแล้วไม่ให้นําไฟข้างนอกเข้ามาอีกในเมื่อไฟในบ้านของเราไม่มีเราจะหาไฟที่ไหนหุงต้มคนที่ไม่รู้เขาก็คงจะคิดอย่างงั้นทีนี้แต่ความหมายนั่นก็คืออย่านําไฟข้างนอกออกไป นำไฟข้างนอกข้างในออกไปข้างนอกคือครอบครัวก็ต้องมีเรื่องไม่สบายใจอย่างในวัดของเราเนี่ยบางเสียงบางอย่างกูบายจานดุดาว่ากาวเรื่องหมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันขัดข้องหมองใจกันบางทีก็ดุดาว่ากาวกันไม่สบายใจกันอย่างเนี้ยมันก็ต้องมีเพราะอยู่ด้วยกันหลายคน แต่ขนาดลิ้นกับปากมีอยู่สองอย่างแล้วมันก็ยังกัดกันลิ้นกับปากถ้ามันมีมากกว่านั้นก็คงจะอุดตลุดเหมือนกันเหมือนกันนอันนี้พระอยู่ด้วยกนนันก็คงจะมีในเมื่อทะเลาะกันองค์ที่ปากพลอยปากเบาก็นํำเอาเรื่องของวัดไปพูดออกไปข้างนอกองนั้นไม่ดีอย่างนี้องนี้ไม่ดีอย่างนั้นองนั้นเป็นอย่างนี้องนี้เป็นอย่างนั้นคือยกดีให้แก่ตัว ยกชั่วให้แก่องค์อื่นอันนี้แปลว่านำไฟข้างในไปสู่ข้างนอกผลที่สุดคนทั้งนอกเ้าก็มองอีกเอ้ยพระในวัดเนี่ยย่ำแย่มากทะเลาะกันชรบวนวุ่นวายเต็มไปหมดในวัดในวัดนี้อแต่ทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรแต่องค์ที่ปากผ่อยนั่นองค์ปากไม่อยู่เป็นสุขนั่นน่ะนำเรื่องไม่เป็นเรื่องออกไปสู่ภายนอก ก็เลยทำให้คนภายนอกมองอีกเข้ามาข้างสู่วัดของเราทำให้วัดของเราหรือว่าวัดครอบครัวนั้นวัดนั้นทำให้เป็นที่ตำหนิของคนที่อยู่ข้างนอกแต่ตามให้จริงพระไม่เป็นตต่ซากเท่านั้นแต่พูดว่าพระไม่เป็นเรื่องเป็นพระถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นพระถอยลักษณะอย่างนั้นละ่ะ ถ้าเป็นคนก็คนถอยว่างั้นเถอะ <c ười> คือคนถอยคือคนไม่ได้เรื่องในราวว่างั้นแถอะคนไม่มีความคิดความอ่านคนไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาสิ่งที่ภายในวัดของตนเองไปออกไปข้างนอกแล้ว เ, เอานำไฟในออกไปสู่ภายนอกอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีและนำไฟภายนอกเข้ามาสู่ภายในก็คือ เมื่อได้เห็นได้ยินของคนอื่นเขาแล้วก็นำมาบรรยายมาพูดให้ภายในวัดของเราฟังภายในวัดของเราก็โกรธโมโหโทรโสรโกท้าให้แก่คนอื่นเขาทั้งที่เรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องไม่เป็นความจริงผลที่สุดก็เลยทำให้เสียหายเพราะนั้นท่านจึงว่าหูในสำคัญเมื่อได้ยินสิ่งไหนมาก็ตามต้องคิดซะก่อน เมื่อเขาพูดให้ฟังเขาพูดให้แก่เราเราก็ฟังโดยเหตุผลอยู่ในวัดของเราก็เหมือนกันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราจะไปพูดให้ใครฟังก็ต้องมีเหตุผลเพราะนั้นท่านจึงให้ซ้ำรวมหูหูเป็นสำคัญเหมือนกันนะเป็นพาหะอันหนึ่งเหมือนกันไปในทางดีก็ต้องอาศัยหูต้องเลยอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่ทำให้เดือดร้อนวุ่นวายกับหูเหมือนกัน เพราะนั่นเรื่องหูมันก็สสำคัญเหมือนกันนะหูมีสองข้างเขาเจาะไปสองข้างแตถ่ถ้าจะว่าไปแล้วไม่สำคัญเท่าปากเหมือนนปากมันเจาะไว้ปุกช่องเดียวปากในช่องเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือ น, นหูได้ยังหูซ้ายหูขวาฟังหูซ้ายไวหูขวาเหมือนกันคือไม่ไม่เชื่อทีเดียวคนโบราณก็ว่าฟังหูไว้หูคืออย่าไปฟัง ทีเดียวให้เชื่อทั้งสองอย่างเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นต้องฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อทีเดียวแต่แล้วก็จะไม่เชื่อทีเดียวไม่ควรเชื่อทีเดียวและไม่ปฏิเสธทีเดียวต้องฟังหูไว้หูอันนี้ก็เรื่องหูเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญทำให้คนเลาะวิวาดกันมากต่อมากเหมือนกัน ถ้าคนหูเบาแล้วก็ถ้าพวกเราไปอยู่ใกล้คนหูเบาแล้วก็ระวังกันแล้วกันหลวงพ่อไม่ได้นะถ้าได้ยินลูกน้องเป็นพระ ก, ก็ตามเป็นใครก็ตามถ้ามาพูดพล่อยถ้าหลวงพ่อได้ยินออกไปข้างนอกองนั้นองนี้พูดแล้วก็ฟังฟังดูอีกองนั้นองนี้นะ่ะมาพูดแล้วก็ฟังฟังดูอีกถ้าได้ยินถึงสองสามครั้งหลวงพ่อจะเรียกมาถามนะ ท่านได้พูดไหมถ้าอึออากอัออกอึออกอึกอักหนึ่ง น, นั่นแหละหลวงพ่อจะตัดขางปล่อยแลยว้วงั้นเลยอย่ามายุ่งกับเรานะหนีนะเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรกับท่านนะท่านเดี๋ยวมาหาเรื่องใส่ให้มันจุ่งเยิงวุ่นวายนะเราไม่ต้องการความจุ่งเหยิงวุ่นวายนะเราไม่ต้องการลาบยสาศสรรเสริญจับกับท่านนะหนีนะโดยมากหลวงพ่อจะจัดการอย่างนั้นทันทีละ่ะเพราะเหตุไรพ่อไม่ได้เรื่อง คบกับคนปากผ่อยการครบฆ่าสมาคมมิตรสหายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดแล้วให้พวกเราศึกษาดูก็ได้บรรณะเรื่องหูสําคัญหลวงพ่อเคยได้ยินสมัยก่อนที่คนคนหนึ่งมันชอบขี้เล่นมันไม่ใช่เล่นเล่นๆจริงๆแต่มันเรื่องไม่น่าจะเล่นมันไปเล่นนะทีมันเสียหายเรื่องที่ไม่น่าเล่นแต่มันเล่นมันเสียหาย หายตรงที่ว่าไม่น่าจะเอามาเล่นนะเนี่ยนี้ก็ไปเห็นก็พูดเล่นๆเหมือนกนะันอ่ะไปก็ไปเห็นแฟนเขาอยู่กับตามลำทังกับหมู่เพื่อนนะอัอนนี่ก็พูดขึ้นมาเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยข้าไปเดินไปที่ไ่นนะไปเห็นไอ้แฟนของแกนะไปคุยกับใครก็ไม่รู้จู่ๆจีๆกันอยู่ดูดๆแล้วไม่ท่าแล้ววะเนะี่สิ่งที่ไม่น่าเล่นมันพูดนะแต่ตาไม่จริงไม่เห็นเขาพูดไปอย่างนั้นอนะ่ะพูดเล่นเหมือนกนะันอ่ะ แต่แม่บ้านไหนสิติเนี่ยพอได้ยินขึ้นมาโถมึงมาจะว่าวไม้คานหาบน้ําข้าจะหวดหลังมึงแน่ๆคราวนี้เพ่อนเจ้าผัวพ่อบ้านนี่กัไปทําการทํางานมาเนี่ยเลยยังไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเดินขึ้นมาบ้านนะแม่บ้านจับไม้คันหาบไล่หวดหลังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกันเถอะเพนกระโดดจนพ่อแรง กว่าจะมาพูดรู้เรื่องกันได้โอ้โหไปถามคนนั้นคนนั้นโว้ยข่าก็พูดเล่นเฉยเฉยแหละเพื่อนั่นมันไม่น่าจะพูดเล่นอย่างนั้นนี่แหละคนหูเบามันก็ทําให้เสียหายได้เหมือนกันนะมันต้องฟังหน้าฟังหลังฟังซ้ายฟังขวาฟังสูงฟังต่ําต้องฟังให้รู้เรื่องนะอย่างทุกวันนี้มันยังค่อยยังชั่วเนี่ยสมัยก่อนมีแต่ไม้คานหาบน้ําใช่ไหมทุกวันนี้มันมีปืนมี ม, มีดอีกต่างหากอันตรายอีกต่างหากหนะ เพราะนั้นสิ่งพูดเล่นคนหูเบาเนะี่ยให้ระมัดระวังกันแล้วกันเพราะนั้นการพูดทางนี้ทางนั้นพวกเราที่นั่งฟังหลวงพ่อเนะี่ยอย่าเป็นคนหูหนักเจนเกินไปฟังอะไรก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่เชื่อเฉเดียวก็ไม่ได้นะฟังอะไรหูเบาเกินไปก็ไม่ได้นะต้องให้ใช้ปัญญาได้ยินอันสิ่งไหนมาก็ตามต้องใช้ปัญญาใไขควรทบทวนให้ดีไม่ใช่ว่ามีอะไรได้ยินหูเบาไปหมดมีอะไร ได้ยินก็เชื่อไปหมดไม่ดีทั้งสองข้างนั่นนะแต่ถ้าวันหนักแน่นด้วยปัญญาไข่ควรทบทวนเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วมากลั่นกรองไตรตรองอีกครั้งหนึ่งเขาพูดสิ่งนี้ขึ้นมาเขามีจุดประสงค์อะไรเขามีความมุ่งหวังอะไรเขาต้องการทำร้ายหรือว่าต้องการผลประโยชน์อะไรในเมื่อเขามาพูดอย่างนี้หรือเขาพูดด้วยน้ำใสใจจริง หรือเขาพูดด้วยความจงรักภักดีหรือเขาพูดด้วยวิธีอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดหมดนั่นแหะเราอยู่ในมวลมนุษย์ชาติในมวลมนุษย์มันมีน ม, มากลากหลายเหลือเกินในสิ่งที่จะมาทําให้เสียหายก็มีทําให้เจริญรุ่งเรืองก็มีแต่ถ้าว่าเราไว้เนื้อเชื่อใจเกินไปเราก็พูดตามพลอยๆไปตามที่เขามาพูดแต่ทั้งที่มันจะ จบเพียงแค่นั้นเขาก็เอาคำของพูดของเราที่มันเผลอออกไปพูดออกไปไปขยายความอีกไปตัดความอีกทั้งที่ถ้าพูดด้วยกันรู้เรื่องมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เอาคำเป็นบางคำไปขยายผลอันนั้นเสียหายไอ้คนที่เจตนาอย่างนั้นมันก็มีในโลกนี่มีตั้งเยอะแยะไปพอโลกทุกวันนี้ยิ่งยุคให้เทคใช่แล้วไม่รู้ตัดคำไหนต่อคาไหนไปพูดอยู่นู่นอเมริกาเอามา ตัดมาพูดที่เมืองไทยเอาคาพูดที่เมืองไทยไปตัดไปยุที่ไหนก็ไม่รู้เอามาใส่กันเอาหัวใส่หางเอาหางใส่หัวเขียนไปเขียนมากลยเป็นตัวคนขึ้นมาเพราะมันคนอย่างนั้นก็มีมากในโลกนี่ในวันโลกนี้มันน่าเบื่อจริงๆสรุปแล้วพอพูดในเจ้าก็คงจะเบื่ออย่างนี้ก็มังท่านจึงยกมือลาโลกเหมือั้นเถอะบายบายบาย บ, ายบายลาก่อนนะน้าโลกนะ ให้สูเจ้าทั้งหลายยุ่งเหยิงวุ่นวายกันอยู่ที่นี่ข่าไปแล้วข้าจะไม่มาเกิดในโลกนี้แล้วเป็นอนันตาการนะนี่แหละเพราะพูใ้ใดเจ้าท่านเบือ่อโลกท่านเบื่ออย่างนั้นน่ะแต่พวกเรานะไม่เบื่อนี่ยชมิแต่เอามันเอามันเอามันมาทานนี่ไม่เลยเอามันทานนั้นเอามันทานนั้นไม่เลยเอามันทานนี่ให้เขาจะเอามันผลที่สุดก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงเห็นไม่เห็นมีใครเอาได้สักอย่างผลที่สุดก็แบมือด้วยกันทางนั้น แบมือว่างันเถอะเอาน้ําลดมือก็ยังไม่ไม่ค้างในมืออีกต่างหากเอาเหรียญตะกอเหรียญบาทเหรียญชะตางเหรียญชะตางเหลืองชะตางแดงยัดเสียปา ก, กถ้าตายไปแล้วก็เอาเหรียญใส่ปากเอาไว้เพื่อจะได้ไปพูดไปคุยกับจ o n พ่บานเอาเงินเสีปากคนตายไปผลที่สุดก็ไปคลายอยู่ที่ผีปรชาชญ์ที่เผาเสร็จแล้วก็ไปคลายอยู่ที่นั่นดี เอาไปไม่เห็นได้สักอันนี่แหละถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นนะ่ะที่จะสู่จิตสู่ใจของพวกเราไปสู่ปรโลกภายภาคนานอกเหนือจากคุณงามความดีเนือจากบุญกุศลแล้วไม่มีนะ่ะหลวงพ่อว่านะให้พวกเราคิ ด, ค, ดคิดดูนะหลวงพ่อพูดใจหูพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วนําไปคิดดูสิจริงหรือเปล่าวะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดนะ มาพูดใส่หูของพวกเราแต่คำพูดของหลวงพ่อเนี่ยเป็นคำพูดที่มีมีเหตุมีผลนะมีหลักธรรมเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาพูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราก็ได้ยินอาศัยหูของพวกเรานะ่ะฟังฟังแล้วก็คิดนะีสิ่งที่มันไม่ดีก็มีอีกเยอะแยะอีกเหมือนกันนะนะั่นแหละเพราะนั้นพวกเราฟังเกิดมาฟังฟังแล้วก็คิด กลองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาของเราเท่าที่ปัญญาของเราจะมีเมื่อนั้นแต่บางทีปัญญาของเราก็ไม่ถึงเขาเหมือนกันนะมันล้ํากว่ามันลึกล้ํากว่าก็มีเหมือนกันแต่เราก็พยายามเอาปัญญาของเราเนี่ยกลั่นกลองไตรตรองเท่าที่ปัญญาเรามีอยื่อนั้นต่อนนี้ไปแล้วพรอนุโมทนาให้พร